พระบัญญัติ839ก็ภิกษุณีได้ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันสองต่อสองกับชายในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพิกษุณีอันเตวาสินีของพระพัทธกาพิลานีจบ